มไม่เบื่อเลยรู้ทุกวันตอนเช้าตอนเย็นนะเบื่ออะไ ร, ร ต, ต, ะะไต่อคำสสอนที่เกียดทำตามเห็นเจ็บปากแก่ท้อเพิดเปิดในความคุณุนทะเยอทะยานอยากในความลับผู้หญิงผู้ชายในหัวใจอันนี้ก็เป็นคำที่ข้องกัน ผู้ปฏิบัติธรรมอย่าให้อันตรายสี่อย่างนี้ย่ำยีได้อย่าให้อันตรายห้าอย่างนี้ย่ำยีได้บ า, า, า ง, งทีมันมาเบนายต่อการทำความเพียรเบื่อน่อยต่อกาำสังสนองนก็มีเหมือนกันระวังอย่าให้อันตรายห้าอย่างนี้มาย่ำยีจิตใจของตนได้ผู้ครอบคเจริญแกตน ย่าให้อตรายเราเนี่ยมาย่ำดีมันมีอะไรเยอะแยะที่มันจะจอนมาในกลายในใจของเราของทีมันเอาความเป็นความตายมาให้ด้วยทําให้เรกลัวมันแสดงออกลกลัวเลยยกธงขาวเลยออกกระเป๋ากลับบ้านให้มันตื่น มันแสดงออกความยากความลำบากอะไรต่างๆยิ่งพวกเราซึ่งเป็นนัก บ, บวชออกบวชจากเรือนให้เจี่ยวข้องโดยเรือนแล้วหรืวอว่าเจ้โจงที่มาอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นนัก บ, บวชุ่งผู้ไปสู่ความดีพูดหนีจากความชั่วเป็นหัวอกเดียวกันเป็นหัวอกเดียวกันให้ ให้เห็น อ, อกเข็มใจกันทางก็สแสดงหาโมกขธรรมเาเลยเพราะเราก็ช่วยกันอย่าให้เป็นการหนีเสือมาเจอเ จ, อจอระเข้ไม่ใช่มันก็ลำบากเการปฏิบัติธรรมนี่ดูดีๆมันจะแสดงให้เราเห็นหลยอย่า ความสุขความทุกขความโลกความโกรธความร้องกิเลสัหาความพอใจความไม่พอใจความวิตกกังวลความยินดีความยิน้ลยความขัดเครืองให้ได้ดังใจซึ่งพวกเราไน้มาจากตระกูลต่างๆพอมาอยู่ด้วยกันพระรุ่นโลกลุ่นหลานปวดอะไรเตือน ก็ไม่พอใจอทีของอยู่ของกินก็ไม่ได้ทางใจจะ ก, กินร้อนได้กินเย็นอจะ ก, กินเด่นได้กินร้อนวะเน่ยเราบอกไงทีอย่าไปอย่าไปพ่ายแพ้เอาเลยพวกเราเราใจยอมแล้วคนอื่นว่ากล่าวตัดเตือนได้ไม่ถือโทษโทรเครืองเรามีระเบียบแบบนั้น เขาเรียกว่าพาปวารณาสังคพันเตปวาเลมิตเทนาวาสุเตนาวาปริสังกายยวาวัตันตุบังอายัดสมันโตโนกัมปังอุปฏายาแต่ท่านทั้งหลายผู้จเจริญท่านได้ยินข้าพเจ้าได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีว่าทําไม่ดีไม่านาขอให้มีเมตตาว่ากล่าวตะเพือนข้าพเจ้าด้วย แม้ขณะที่ท่านว่ากล่าวเตือนข้าพเจ้าก็จะไม่ถือโทษโกรเครื่องท่านก็ข้าพระเจ้าก็เช่นกันขอให้ท่านจงเตือนข้าพเจ้าด้วยเช่นกันข้าพระเจ้าก็ไม่โกรธไปเครืองท่านเช่นเดียวกันอันในปรน า, า่าปีหนึ่งเราป ร, ราณาครั้งหนึ่งหรือว่าเราได้พูดกันแล้วที่ยุดนั่งอยู่นี่ ในธรรมวินัยเราได้พูดกันแล้วได้พูดกันเป็นสาคัแล้วไม่ได้เก็บไปคิดว่าเออเพิ่งเห็นหน้ากันมาว่าฉันเลยไม่ใช่ตามวินัยเนี่ยผูดที่เข้ามาสู่ทําไม่วินั ย, นยอันเดียวกันนั่นเราระวังปฏิบัติธรรม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 เขาพยายามเปียร์ทีนี้พอเปียรแล้วเขาก็ก่อไว้อีกสักหน่อยเพื่อจะได้เข็นอีกไม่นานจะได้เปียรอีกนั่นแบบมันเปียร์ประกอบเป็นจ้าฮะเปียร์ฝ่ายเอาฝ่ายใช่หน้ากคำว่าเปียร์เขาแก๊กเขาแกะแล้วพ่อจะให้เป็นได้แน่นอนพจทธาธิเป็นว่เปลี่ยเปี่ยนฝ่ายเขาแกงกขาแกงเองแกงเองแกงนะเพื่อให้มันเกินไปสักหน่อย เพราะมันเปียเราก็วางในเลยไม่ใช่ให้มันเกินก่อไว้ทั้งหมดแล้วเราไนะถนาไถงานนี่เสร็จแล้วปดไถเลยควายมันก็มันก็ลูกพอมันจะ็จเสร็จมันจะรีบอยากอยากหนีออกจากไถควายตัวนั้นก็จะพยศได้ง่ายแล้วเรเราไถพอมันเสร็จแล้วอยาพึงพ่งปลดให้ไปให้ไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปแลกอีกงานหนึ่งก่อน กันแรกงานหนึ่งก่อนแล้วก็จะปลดเวลาใดไม่ใช่ไปให้มันออกงานไปให้เวลาจะปลดไถเราให้มันออกงานไปมันก็ดไปวิ่งออกไปเลยถ้าทํางานมันก็ได้เน็ตใสไปดิ <c oughs> หัดวัวหัดควายพอไถไปไถไปไถไปมันก็อยู่ธรรมดาพอดันได้ธรรมดาดันไปธรรม ด, ดารอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วแล้วก็ลวลวลวลวปลดในกลางกันเลยถ้าควายตัวไหนมันก็ยศ ควยตัว น, นั่นจะจะไม่ปรพยชน์เลยหลวงพ่อเป็นนักหัดตัวหัดควายเทียมลอเทียมเกียนเทียมข่าเทียมไทยหัดตัวเราก็เหมือนกันความเมื่อยความเมื่อยหยุดทันทีความเบื่อหยุดทันทีความทุกข์หยุดยอกทันทีความสุขเอาทันที ความกลัวนี้ทันทีไม่ใช่ถ้ามันเกินไปสักหน่อยมันจะพยศเหมือนกันนะเราถ้าได้เป็นมันก็ประยศเปาะบ้างเราะบางเหมือนกันกระวัวกับก๋วยมัดขม้าม้าตัวไหนมันพยศมันก็หัดขมามันประยศที่ไรมันก็ได้ที่ใต้ท่าขวนพอจะเคลนชี พอจะขึ้นขี่หลังเสจแล้วมันก็โดดโลดเต้น <c oughs> กระโดดโลดเต้นไม่ให้เราขึ้นขี่หลังมันก็ขึ้นมันไม่ได้ทักทีมันก็เลยได้ได้ใจมันต้องพยายามขึ้นขี่หลังให้มันได้แต่มันพย์ที่ลยเอาไม่อยู่เอามันไม่ได้มันก็ไปอยู่นั่นนะความสุขความทุกข์อะไรที่มันเกิดขึ้นกับเรานะ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 เห็นมันรู้เห็นมันไม่รู้รู้ข้ามแล้วเหนือแล้วเหนือเหนือลูกเหนือไม่รูกเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือกลัวเหนือกล้าต้องหัดตัวเองพอทําไปทําไปเพราะเบือบ่อเพระไปหยุดทันทีนอนให้ความขยันพาทําให้ความเบื่อพาอยุดอย่าให้มันนําความเบื่อก็ดีความขยันก็ดี ก็จะหยุดแบบผู้ที่มีสติเราจะทําแบบผู้มีสติมันมีมันมีหลักอยู่หรอกผมรู้สึกตัวหนึ่งมันมีหลักอยู่จริงๆมันเด่นอยู่มาหาตัวนี่รู้สึกตัวรู้สึกตัวนะการหัดตัวเองเนี่ยมันก็มันก็สู้กันนถ้าหัดเไ็นถ้าหัดไม่เด็นนก็ไปสู้มันเราหัดไก่ชน เราไปชนกับไข่ตัวเล็กก่อนจะไปชนตัวที่มันเสมอกันเอาไปชนกับตัวเล็กชนเตะสองสามทีวิ่งหนีมันไล่กลุ่มตัวเปิดตัวเอาไปชนอีกตัวที่สองอีกตัวเล็กกว่าไปไล่ตีสองสาทีเตะสองสทีตัวสู้ไปเลยก็วิ่งหนีชนสามตัวสี่ตัวจึงไปเจอของกิ่งไปพอเจอของกิ่งมันไม่ยอมหนีไ พรามันเคยชนะมามันก็สู้มันก็สู้มันไมน่ยอมการฝึกไก่ชนเขาก็ฝึกนะการฝึกม้าแข่งเขาก็ฝึกแบบนั้นแข่งกับมากับจอนซะก่อนแ ล, แล้วเขาวิ่งจ้องเย่จ้องเย่จ้องเยพอตัวเดีวิ่งปุ๊บผ่านเลยเอาลุยเต็ตเ ต, ต็คนก็ชยโยจับตัวหาหมูให้พวงมาลัย ให้พวงมาลัยให้น้าหอมโลกหัวโลกท่าโอ้บลกลาบะคัมมันได้ใจเหมือนกันมามันก็ได้ใจเหมือนว่าจันงัวอะไรงัวจันโคศัตรูอเลยแต่ไม่ได้นะนันทวิศน์นั่นทวิศน์โคนันทวิศน์เจ้าของ ไปพ น, นันจะบรรทุกเหลือร้อยเล็บเปลียนร้อยเล่มโค น, มนันเทวิษณ์เนี่ยเคยทุกเปลี่ยนล้อยเล่มมาแล้วพอไปพ น, นันกันจริงๆเขาก็ไม่เชื่อว่าโคนันเทวิษณ์เนี่ยจะบรรทุกเปลียนถึงร้อยเล่มเลยก็พนันกับเจ้าของโคนันเทวิษณ์ก็ดีก็เปลี่ยนมาเทียมไป พอเอาโคนันเทวิสานเข้าเทียมเขียนเจ้าของก็เอาไปบักเคฆะไอ้ชติมามึงต้องไปมึงไม่ไปละมึงตายแล้ะจับป่อยเรียวไตบอบอ่โคนันเทวิสานไม่สู้เลยไม่ตันเลยเสียใจก็เขาก็ขอขอชนะ แต่ว่าโคนันเรรทวิษณุทุกยืนน้ำตาไหลย่าก็ไม่กินสองสารเจ้าของก็ต้องเสียเงินทองมาต่อมาโคนันเทวิสารก็พยายามอยากให้เจ้าของเอาไปแข่งใอ้สุก็ออเลยได้แข่งได้พนันอีกแต่ว่าเจ้าของพูดใหม่กว่านั้นลูกพ่ อ, อเจ้าจงดันเปลี่ยนร้อยเล่ม ไปเถิดลูกช่วยพ่อช่วยพ่อพ่อลําบากแล้วพ่อจนแล้วขอให้ลูกช่วยพ่อเด็กเขาข้านี้ไปเถิดลูกไปเถิดลูกพนนั้นเดือดรดันเกวียนรลอยเลื่องไปลุย น, นเลยได้เงินมากกว่าเกาะพราะเขาหวัจะเอาอีกครข้างที่สองให้รวยต่อเป็นต่อเป็นรอยเจ้าของก็ลองเอาร้อยหนึ่ง เขาจะให้ห้าร้อยร้อยหนึ่งต่อห้าร้อยอะไรหรลเลย์ด้วยไงแม่คว า, ายมันก็ยังงัวมันไม่มีมีอระ์สอนมันเป็นไมันก็สู้กันการสอนเองเนี่ยเาพยายามอย่าอ่อนแอนะอย่าอ่อนแออย่าวันไว้อย่าขี้ขลาดอืาไม่เป็นไร โลดูมันไปมันจะแสดงอะไรออกมาให้เราเห็นกับดูไปโลมันบ้างทิ่งมันบ้างสนใจมันบ้างทิ่งมันบ้างเอาไว้ที่าเราจะโู่เสื้อก่อนตอนไหนเธอจะเป็นอะไรคอยเออเป็นบางทีมุดแดงมันใต่ไปนั่งอยู่กลางทุ่งไปสอนทำที่ทอำเภอหนองสองหง้อง เรไปนั่งอยู่กลางทุ่งมันมีล่มไม้ยมดแดงมันไตไอจะไล่แต่มดแดงอันนะพอมันไตขึ้นมาก็จับมดแดงออกสร้างจังหวะจับมดแดงอออ่ามีวิธีสร้างจังหวะจั บ, ม ด, ดออ ม, จบมดแดงกันนะได้ไหมคาาุประสานรจังหวะจับมดแดงจังหวะไล่ยุงก็มีนะ เราโยมมันก็จังหวัดไล่โยมไปว่าไปใช่ไจังหวะไล่แมงวันไล่แมงวีก็ไ่ไหมพยายาม เ, ออเราจะมาไล่แต่มดแดงอะไรมันจะเป็นอย่างไงเพราะมันไต่ขึ้นมาเราก็มันไต่ลงไป่ถือว่ามันก็ถือว่าเราก็ถือว่าต้นไม้ต้นหนึ่งนรือมัต้นไม้มันก็ไม่เห็นไลม่มดแดงอะไรดอกเรามันจะขี้เลวกว่าต้นไม้เลย ปัสสาวะมันแดงตัวเล็กแค่นี้ก็ให้เขาไต่บ้างไม่ได้เลยมาคิดแบบนี้นะก็ให้เขาไต่ไปแต่บางทีเขามากัดข้อเก็บบ้างเอ้าเก็บนิดหน่อยก็เป็นไรนะอถ้ามันกัดลงดูกัดตรงนั่นบ้างกัดตรงนี้นบ้างไปทาไปสร้างไปว่าไปพล้วมันมากัดหัวนมเนี่ยโอเก็บมากเลยให้แก้วนะเอากัดหัวนมเนี่ยจับพัแดงออกกัดที่ื่นไม่ก็เจ็บนะ แต่ว่าต้องสร้างจังหวะไล่มันนะเออบางทีมันปวดแ้วมันไต่ขึ้นมาทําปฏิบัติทำใหม่ๆหลังก็มันไต่ขึ้นมาต้นคอตไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาขึ้นมาหลังหูขึ้นมาข้ามบนหัวหัมันก็มาปวดตรงหัวเนั่นปวดนะเออมันไต่มาทุกครั้งก็เอามือมาลูบหัวตอมันปวดใจเรามามาลูบอ้าวปวดไปปวดมาก็เอาไม่ต้องลูบมันสนใจเรื่องนี้มัน ไม่ต้องมาลูกที่หัวเอ้ามันจะปวดก็มันปวดไปกรชซานก็ไหลไปเอาไปเอามามันก็หายไปไดก็ไม่รู้แต่ก่อนมื่อมันปวดที่อะไโอ้ยมื่อมาตกหัวกันตับตับตับตับตับตตตับยามองมาทาบ้างโน่นโนี่ว่าเออก็ลองทำเลยเอ้าไม่ต้องหัวชาันะไรมันปวดลงไปต่างกันเอ้ามันก็หายได้เหมืบนงที เอ้บางทีมันก็มีมายาศาสไถมันกันในชีวิตร่างกายของเรามันเป็นตัวหลอกตัวหลงจริงๆมันโลกแห่งความหลงจนเขาพูดว่าผีหลอกไม่กลัวคนหลอกไม่กลัวกลัวแต่ตัวเองหลอกตัวเองนี่แน่นอนที่สุดแล้วระวางพยายามดูให้มันเห็น กนบึ้งมันนุ่นนะปฏิบัติธรรมมันจะแสดงอะไรออกมานะโดมัน่มันหัวเลาะเยาะมันน่นนะบาเอ๊เนี่ยหนงะโอ้ยบาดเอว่าจนะนี่มันกรสิโกดเลยบาเอ๊นะเนี่เขาพูดแค่นี้ก็โกดเลยบาเอ๊แค่นี้ก็โกดมันจะทำอะไรได้บาดเอ๊เนะ่ยธรมา เล่นกับตัวเองมันจะทุกข์หรือเห็นเท่านี้ก็จะยินดีไปแล้วหรือชอบแล้วหรอเห็นใช่นเนี่ก็ไม่ชอบแล้วหรือไปแล้วหรือหลุดไปไหนแล้วไปอยู่กับความรักหรือไปอยู่กับความชังหรือด่าตัวเองว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็สกนะดวกกะปฏิบัตธิธรรมมันเห็นของจริงนะ่ะทำไมจะไม่สนุก มันดีกว่าไปดูหนังดูละครเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็ น, emas, น, นทุนมมนนกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนอันนี้ลึกซึ้งที่สุดเลยมาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนแล้วรู้สึกว่าในโลกนี้มันยอ่อลงเท่านี้กำมือเดียวเอาความไม่เที่ยงเอาความเป็นทุกข์เอาความไม่ใช่ตัวตนไปกำหนดไปเฉลย ได้ทุกเรื่องเห็นเราโกรธเอาไปทิ้งลงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนหายวับทันทีอะวิเลนตนาหาก็เหมือนกันเอาไปทิ้งลงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนโอ้ยสนุกทิ้งเห็นเรื่องเดียวปฏิบัติทรนมะจนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่า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 ถ้าจะเป็นขยะก็เป็นขยะเอาไปทิ้งในชีวิตเราเนี่ยถ้าไปทิ้งลงตรงนี้เกลี้ยงไม่มีขยะไม่มีร่องรอยเป็นชีวิตที่เกลี้ยงเกา่าอ่าปฏิบัติธรรมมันเห็นของจริงนะไม่ได้หลอกกันนะเราก็เห็นเราเองนะั่นแหละปฏิบัติเองเป็นปฏิจจตังรู้เองเห็นเองบางทีก็เห็นเหมือนกันบางทีก็เห็นไม่เหมือนกัน ก็อย่าไปแปลกใจไะไรบางทีเขาเห็นรูปเป็นนามเราไม่เห็นรูปเป็นนามก็อย่าไปแปลกใจอะบางทีเขาเห็นประวัติปัททวการเราไม่เห็นก็ไม่แปลกใจว่าแต่เรามีสติถูกถ้าเรามีสติดูไปเรื่อยอะไรที่มันจะเกิดขึ้นบางทีมันจะเห็นเมื่อมันเป็นแล้วจึงเคเห็นมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้ก็เหมือบางคนก็หาความรู้รู้โน่นรู้นี่ไย ตื่นเต้นไปกับความรูก้กับอะไรอะไรต่างๆนะอย่าไปตื่นเต้นง่ายๆอย่าวันไว้ไปเรืเ่อยๆเขาเรียกว่าหนึ่งไว้อย่าหย่อนอย่าตึงให้มันนึ่งๆพอดีพอดีวันเราไถนาะควายตัวใดที่มันไปดึนึ่งโบ้ยเดินตามคนมันหลับไปเลย บ า, บางตัวไอ้บางตัวพูดไปบางทีก็ช้ามางทีก็พูดไปอันนั้นไม่ดีชีวิตของเราป็ต้องหัดพอสงควรนะต้องฝนะึกหัดตัดแปลนะบางทีมันก็แสดงอะไรจนหลายอย่างจะไม่ก่อนหลวงพ่อเป็นหมอไล่ผี แต่ถ้ากลัวเราก็ปก็สู้ผีไม่ได้ไปเอาผีคนเป็นบ้าคนหนึ่งอยู่อำเภอคอนสวรรค์แล้วตัวมันบอกมาเอาบมอหลวงพ่อไปเอาหมอไหนมารักษามก็ไล้ยงให้แต่ามาบอนมาบอกว่าไปเอาหมอหมอทำคือหลวงพ่อนะครับอาจารย์คงไปพอไปแล้ว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 บิดตัวเองอยู่เลยนะนั่งหลังกฎของจอนอาจารย์ด้วงบิดตับบปกทวนได้แล้วออาจารย์สียหอมบ่เน่ะคันบ่อยอมมันจะเอาบปกทวนไปแล้วนี่ยมันจะตายแล้วนี่มันก็บิดตับตัวเองมันก็บิดตัวมันสียอมไหมห้องไหมห้องไหมอาจารย์จะยอมไหมเนี่ยรู้จักไหมรู้จักอาจารยด้วงไหมเนี่ยอะไรแล้วจารด้วงมันจะเอาบิดตับปกทวนไปแล้วเด้อปกทวนจะตายเราด้วยถ้าไปยอม จะทำยังไง่อไปยังไงนะนั่งหลังกดของจ้องอ่ะพนัพกจานจะทำยังไงถ้าเป็นคนระงานพนักจารย์จะว่าไงเออแสดงออกเองนะจะยอมให้อาจารย์อาจารย์จะยอมไหมเนี่ยถ้าไม่ยอมมันจะเอาบททวนไปด้วยเนี่ย อ, อ, อ่าก็เราเขาเข้าไปเลยพ่อเอาเมืองเก่งมึงก็ไปเลยเอามืองเก่งมึงก็ไปเลยเพราะว่าน ปา๊บล่มลงมนันแอน่งแม่งเลยไปในหลานชายมาด้วยคนหนึ่งห้องไห้เลยโอ้ยหน้เบาเอ้ยเจ้ามาตายใชี่ยบานเชี่ยนพน้องเจ้าจะมาตายใชี่ยบาน โ, โอ้โมาตายใเชียนเชี่ย้านพต่เป็นไงบัดเราเป็นไงความรู้สึกของเราเป็นไงหวั่นไหวไหมหวั่นไหวไหมเราไม่หวั่นไหว เราก็ลุ้มพ่อก็นั่งดูมันเฉยๆมันก็นอนอยู่ข้างหน้ามันก็นั่งอะย่แต่สมัยก่อนมันไม่มีไฟฟ้ามันก็อยู่ตะเกียงมืดๆ ม, มันก็เก้ากระดานดอาจารย์ย่านพี่หลอกก่อปกทวนบพอาจารนะาโดโดย์นะเก้าแฟนก็นอนอยู่นะมึงเก้าแฟนวั พอตัวนันตายแล้วผีหลอกมันที่ลอกเราแต่งเข า, ข อ, เขาอ่าดูสิอีกแว่านาะมนก็ลุกปองงองไปไงานกันมานห้มันแบบนั้นอะมันมั น, ม, น, ม, นมันมายาสาถนะถ้าเรากลัวเรโอ้ยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นหรอกนี่แต่แม่นางเขาเรียกว่าผี <c oughs> ผีเราไม่กลัวเราไม่ได้กลัวเราไม่ได้เป็นอะไร เราทำดีเรามีเมตตากรุณาไม่ได้ไปข่มเหงรังแกใครมีแต่แผ่เมตตาเขาให้เป็นสุข เ, เป็นสุขประเพศสัตว์สัต ว, ต ว, ตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนโทษเคยเจ็บเจ็บตายตัวนี้แหลดีที่สุดไปไหนก็ไปเถอะเวลาภัยประชาอเนคาสุขโศสุขีตตะนังปริหารัน ต, ตุแผ่เมตตาเนี่ยเรามีความเป็นธรรมที่สุดแล้ว เราไม่ได้ไปฆ่าไปแจงเราไม่ได้ไปค่มเหงลังแกไขรใครใครังแกกันก็ขอให้อยู่เย็นเป็นจุกยาเปลี่ยนๆกันก <c oughs> ารกระทำของเรามันบริสุทธิ์แล้วเราไม่บกุกรองตรงไห น, นเพราะเราก็รู้แจใจของเราเองเราไปค่มเหงลังแกไปเขาบ้านเขาเมืองเขา <c oughs> ก็อีกเรื่องหนึงอันนี้เราไปไหนเราก็ไปดีไปไหนก็ไปช่วยให้คนไม่มีทุกคนใดเมียดเปียนกันก็เลิกลากันไป แส่ไมตตาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสตินี้เป็นของตีแล้วอะไรที่มันจะเกิดกระดูมันรู้สึกตัวอย่าวั่นไหวอย่ากระโดดโลดเต้นอย่าปวกเปียก <c oughs> อย่าตื่นเต้นมันทีมันตกแหล่งของความสุขก็จะไปยิ้มตลอดเวลา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 ความผิดมันก็พ่ายไปพ่ายไปเลี่ยงทางไปตะพิ่งตะเพิ่งถ้ารู้สึกตัวรู้สึกตัวนะฮะนี่อย่าหวนไว้อะไรพวกเราเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นก็อย่าหวนไว้ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดนบนในชีวิตเราคนอื่นก็เหมือนกันอ่าผิดตกผิดใจนิดนิดได้หน่อยก็มันก็ดีได้ เราก็ทุกข์บ้างอาจจะไม่ทุกข์ด้วยแล้วหลงบ้างอาจจะไม่หลงบางทีปฏิบัติทำดีไปดีไ ป, ไปหมดกิเลสพอมันเกิดกิเลสขึ้นมาไ ห, ม, <c oughs> ห ม, าา ม, ม่โอ้ยเสียใจไม่พระมาถามผมครูอาจารย์ผมปฏิบัติธรรมมาเนี่ยแปดปีผมนึกว่าผมหมดกิเลสแล้ววันนี้มันทาไมยังเกิดขึ้นมาอีกเสียอกเสียใจ ของกอดมือไปตกไหลยโอ้ไม่ได้หมาเห่าช้างกิเลสมือนหมาสติเหมือนช้างวันไว้อะไรมันเห่าหรนะือเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวันไหวหรือใช่เนี่ยเห็นไหมเห็นหมาเห่าช้างไหมมันกลัวอะไรไหมหมาไม่ช้างมันไม่กลัวหรอกหรือช้างวิ่งหนีเลยโอ้มันกูโง่แลบบ้วนะ สติตัวนี่เหมือนช้างกิเลสศรธรรมทั้งหลายเหมือนหมาตัวนึง่งก็อกก็แจ๊บเขาก็แสดงเขาไปตามธรรมดาแล้วว่ามันเห่าเนี่ยแสดงว่ามันไม่สู้แล้วมันไม่สู้แล้วเดินไปได้ส่ายโบ ร, ราณทาร่าหมาตัวไหนมันเห่าแล้วมันไม่กัดเพระาะถ้ามันเกิดกิเลสมันก็ดีแล้ว ถ้ามามันเห่าเราก็เห็นหมาอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ตรงไปดูตรงไหนมันก็หอยนะเดินไปถ้ามันแสดงออกมาดีแล้วเราจะได้เห็นมันเออมันอยู่นี่ก็มีเลยเนี่ยความโกรธกิเลสมันเกิดแบบนี้ก็มีหรืออนี่ความทุกข์ความสุขมันเกิดมาแบบนี้ก็มีหรือความสุขของคนอื่นเป็นความทุกข์ของเราก็มีหรือ ความทุกข์ของเราเป็นความสุขของคนอื่นก็มีเลยความสุขทุกข์ของเราความสุขของคนอื่นก็ไมเ่เออมันก็อย่างนี้เนาอโลกน่นาะอืมเราก็ดูไปบางทีเราก็ไปหาความสุ ข, ขกับคนอื่นบางทีคนอื่นก็มาหาความสุขจากเราหาความสุขบนหลังของคนอื่นก็มีมันกรับเราก็ดูไปไดี๋ย <c> ว <oughs> แล้วกําลัง เดินบินธบัติเรากำลัลงมีสติกําลังสํารวมดีอ้อาวเพื่อนบินทบัติด้วยกันเอาโผดโน่นพูดนี่เล่นตลก <c oughs> แหวะเก็บผักภักดกยาบินธบัตรผ่านปา่าภักดกยาเอาแวะเก็บเก็บเราก็กินเนี่ยกินแบบนี้กินแบบนี้เออเขาทำแบบนี้น้อน่าปวดเขาก็ชูให้เลยเนี่ยต้องปิดมาต้องกินแบบนี้ กินผักแบบนี่ เ, ออเราก็ทําให้เหมือนเขาเราก็ไม่เราไม่ทำเหมือนเขาโอ้เพื่อนเรามันหลงเนาะเราก็ไม่ต้องไปแสดงไป น, นั่นเราเก็บก็เก็บไ ป, บ ไ, ปไม่ต้องแสดงถ้ากินอะไรคุยจะหลงเอาเพื่อนเราหลงเนาะอเพื่อนเราหลงนะ้อะเราไม่หลงมันก็ดีแล้วบ่แล้วไปโกรธเพื่อนหรือเวลาเพื่อนเรื่องนนะอั้นโอไม่ไยไม่ไปเพราะไม่ไ เรไม่เอาไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่คบอีกแล้วไม่ใช่แล้วก็กลายเป็นความสงสารโอ้เพื่อนเราหลงเพื่อนเราหลงเราก็หาวิธีแล้วบัเมื่อเพื่อนพูดสามคำสี่คำเราก็ไม่พูดเราก็ค่อยพูดเออน้อยๆเอาไปมาเพื่อนเราก็สงบลงเพื <S <S <ๆ S 1> ่อนเราก็สงบลงก็กลายเป็นเป็นเรื่องดีแทนที่เราจะหวั่นไหวเรา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 ต้องแส ด, แดงให้ได้เฉลยให้ไดนะ้ปฏิบัติทำนะอย่าไปหวั่นไหวอะไรไงไ่ายๆอย่าไปใจน้อยอย่าไปใจอ่อนอย่าไปอะไรอาวร์นะถ้าจะพูดเราเนะพราเราก็น่าสงสารกันนะนกก็มีคนเดียวหัวเดียวมาโพนหมู่มาจากญี่ปุ่น เป็นผู้หญิงสาวก็มาอยู่กับเราคสาสตร์ก็มาจากปุริลำลาออกจากเป็นพยาบาลโลกเต่าเหล่ากอเป็นห่วงทไม่อยากให้มาก็มาอยู่กับเรามาจากระยองมาจากชัยภูมิมาจากกรุงเทพมาจากโน่นกาลสินมาจากสมุทรปราการมาจากภาคใต้ภาคเหนือ อบวชใหม่ที่สุดก็มาจากแจงคอยที่เราเห็นโลกเห็นใจกันถ้หลวงพ่อคือว่าเป็นเจ้าถิ่นเป็นเจ้าถิ่นที่อยู่ที่นี่ลูกหมดที่นี่ต้นไม้ต้นไห น, อ, น, ไหนอยู่ตรงไหนลูกหมดทางเส้นไหนกตีหลังไหนมันซึมซับคอมพิวเตอร์มันมันโ ล, ลูกหมด กเเออถ้าคิดดูแล้วพวกเราน่าสงสารน่าสงสารกันมันโกรธกันไม่ลงมันเตียดกันไม่ลงไม่แต่คิดจะช่วยหรือกันคิดจะดีนี่ใครที่ไม่ทุกข์คอยพ้นจากทุกข์ใครที่มีสุขคอยมีสุขยิ่งขึ้นไปออย่างีน้องันนี้ก็สร้างสิ่งไว้ล้อมให้ใจตัวเอง สิ่งไรล่อมแบบนี้ก็ทําให้บรรลุธรรมได้ไปใช้คิดกระตกกระตัไไปใช้คิดคิดก็คิดให้มันเป็นด้วยพระเจ้ายังสอนเลยพุทธานุสติคิดถึงพระบริเจา้าธรรมานุสติคิดถึงพระธรรมสังขานุสติคิดถึงพระสงฆ์ศีลานุสติคิดถึงศีลของตนจาคานุสติคิดถึงผลบุญผลทานของตน จนถึงมรณะนุสติคิดถึงความตายที่จะมาตกลงเราอยู่ตรงไหนเราจะต้องไปตายเกิดมาตายปีๆเลยมันก้ามาหาเราเรื่อยๆเราจะอยู่ยังไงลุกขึ้นมาพอมอรณะนุสติโอโหเจ้ามาเห็นตนัวนี้ขยั้มมันเพียนเลยความเพียนเป็นจิตที่ต้องทําวันนี้ความตาย มันไม่บอกว่าพรุ่งนี้แต่ว่าความเพียนเป็นกิตที่ต้องทำอะไรใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้เราต้องเพียนประกอบมีสติมีสัมัสมัญญารู้สึกตัวให้มันมีฝีมือสักหน่อยอะไรมาแจวเ้อะเดีละวดีแล้ ว, ลวใช้กระโจดให้อลุยมันเลย เขาเป็นพุทธเอาเพื่อกันของพอกับเถาเติบแล้วเถาไลยแล้วเห็นใจกันพุทโธมก็เห็นใจผู้ธเถาในเด้อพุทธเถาก็เห็นใจพุทโธมแน่สิว่าเพื่อเจ้าของเป็นพุ้ธเถาไปสิไปเขาผพุทโธมเป็นคือเขาเขาก็เป็นบ่ได้พุทโธมเสียพุทธเถาคือเขามันก็เป็นแบบ่ได้เดี๋ยวให้บ่ได้ตั้งใจมันกิดบ่ได้แล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 ลุกขึ้นไปคนที่พามาก่อนลุกค่อยเดินไปเอาไปนั่งอีกลงจากนี่ก็ไปนั่งต้นกระท่อนนี่เราเดินจากต้นกระทร่อนก็ไปนั่งต้นกระท่อนต้นนั่งเดินจากข้อต้ น, ต, นต้นก็ไปนั่งกัดกะติคนสะอาดแม่สะอาดเดินจากกติแม่สะอา ด, ดา ก, ก็ดไปถึงกติกสามครั้งนี่ถ้าเราปานนั่นเขายังสู้นะ สามครั้งเดินจากกติจางพลนมาเนี่ยพเราเนี่ยยังปกสามสอบต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ฮึดสู้ภาษาอีสานก็หรอฮึดสู้่าวันไวอะไรง่ายๆนะอ่าอาก็พ อ, พอสมควรเจเวลากับพระพ่อกน ระมมามทตทวตทตวโตภคะวมโมามมตสิโน